อเอาน่าอย่าซีเรียกเรื่องความฉลาดของเด็กโมเกเรียนอยู่ชั้นประถมปีท Clear ี่หนึ่งของโรงเรียนมีชื่อแห่งหนึ่ง ซึ่งคุณแม่จะต้องไปรับส่งทุกๆวันและจะต้องหิ้ปิ่นโตใส่อาหารไปให้ลูกรับประทานกลางวันด้วยทุกวันวันนี้ก็เช่นกันเมื่อไปถึงโรงเรียนแล้วคุณแม่ก็ส่งปิ่นโตให้ลูกเก๋และควักเงินอีกห้าบาทให้เป็นค่าขนมพร้อมกับสั่งว่ามีเก๋ทานข้าวในปิ่นโตเหลือทุกวันไม่รู้จักประหยัดบ้างเลย เพราะต้องทิ้งทุกวันวันนี้ลูกต้องทานให้หมดนะและแม่จะเพิ่มเงินให้ลูกอีกสองบาทนะถ้าทานไม่หมดจะต้องถูกตีด้วยเชียวตกเย็นคุณแม่ก็มารับลูกเก๋เช่นเคยและประหลาดใจเมื่อเปิดดูปินโตทุกชั้นปรากฏว่าเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยในวันนี้ แม่ก็ยิ้มออกงาด้วยความพอใจลูกเก๋ของแม่เก่งมากวันนี้ทานหมดทุกชั้นเลยครับผมเก่งครับเพราะผมจ้างให้เพื่อนทานแทนผมจ้างให้เขากินหนึ่งบาทได้จากแม่ตั้งสองบาทคุ้มนะแม่เรื่องนี้สอนว่าอย่าคิดว่าเด็กปัญญาไม่ทันเรา เพราะเขาอาจฉลาดกว่าที่คุณคิดไว้ได้เกินคาดทีเดียว